ต่อไปขึ้นในบทว่าเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกอีกบทหนึ่งครัว่าวิหารติดังที่ได้กล่าวแล้วนะต่อมาขึ้นในย่ที่สามกำหนดกายในรูปกายของตนตามการกายในรูปกายของผู้อื่นตามการชื่อว่าอารมณ์ที่กระทบทั้งภายในและภายนอกพร้อมกันในนี้โดยในการกําหนดนี้นะในขณะที่พิจารณากายตนเองตามการกายของผู้อื่นตามการเนี่ย มันจะไปเกิดพร้อมกันไม่ได้หรอกแต่ความเร็วของวิถีจิตเนี่ยกำหนดให้รู้เนี่ยในขณะที่พิจารณากายสติสัพชัญญะหรือปัญญาไปกําหนดรอบรู้กายของตอนเองเนี่ยในขณะนั้นก็ไม่ได้รู้กายของบุคคลอื่นในขณะที่น้อมหรือลึกใจพิจารณากายของบุคคลอื่นในขณะนั้นก็ไม่ไรู้จักไม่รู้กายของตอนเองฉะนั้นความคล่องแคล่วในการที่พิจารณาแล้วแล้วเราเล่าอย่างทํานาญนั้นเนะ่ยบางครั้งอาจจะรวดเร็วนะ คนที่พิจารณาเป็นคล่องแคล่วแล้วนี่จะรวดเร็วได้แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันฉะนั้นในบทนี้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอนาปนานะที่เราศึกษากันแล้วที่บอกว่าข้าองค์ตรัสการสัญจรท่องลมหายใจออกและเข้าโดยไม่หยุดพักซึ่งกรรมฐานที่คล่องแคล่วทั้งภายในและภายนอกทั้งสองอย่างนี้ย่อมไม่ได้ในการเดียวกัน ก็แปลว่าแม้แต่การดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตนตามการของผู้อื่นตามการกันในย่าเดียวกันเนี่ยแต่ความคล่องแคล่วของบุคคลผู้พิจารณาจนชํานาญแล้วเนี่ยเขาสามารถพิจารณาอย่างรวดเร็วไดว้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เกิดขึ้นในการเดียวกันวัตถุประสงค์หรือต้องการให้ทราบตรงนั้นส่วนในบทว่าสมุทยะเห็นไหมยังบทว่าสมุทยาธรรมานุปัสสีหน้าที่ยี่สิบสี่อ่ะวาเป็นต้นเนี่ย สมุทยธรทำมานุปัสสิวาเป็นต้นอันบัณฑิตควรนำเอาความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของรูปประคังโดยอาการห้าอย่างโดยนายเป็นต้นว่าอาวิชาตกิรูปประคั่ก็เกิดเป็นต้นเนี่ยคนระับตรงเนี้ยท่านอธิบายไว้แค่เนี้ยแต่ต้องขยายตรงนี้ต้องขยายขยายก็คือว่าเห็นไหมว่าเวลาอ่านอัจฉริยเดียวถ้าตักละไว้แค่เนี้ยแล้วใครจะเข้าใจใช่ไมเนี่ย มันเข้าใจไม่ได้ไงก็ต้องอาศาัยจากการเชื่อมโยงจากสู่อื่นจากความเข้าใจของผู้ที่ช่ำชองในคำสอนเป็นต้นนะขั้นก็จะอธิบายเรบอกว่าในอิโยะบทบพ้านเนี่ยนะที่บอกว่าสมุทัยยะธรรมานุปัสสิการพิจารณาเห็นเมืองเมืองซึ่งความเกิดตามการแล้วกว็ความดับตามการเป็นต้นเราเนี่ยสมุทยยะเนี่ ย, ะ ย, ะยคือเกิดสมุทยยะส่วนวยะเนี่ยแปลว่าดับหรือแปลว่าเสื่อมนี่นะสมุทัยยะวยะ สมุทยยะเกิดว่ายะเสื่อมเสื่อมก็ได้ดับก็ได้สมุทัยยะวยะธรรมานุปัสสนาก็ย่อมไม่ได้ในเอกการเพราะความที่มีวัตถุอารมณ์แต่ต่างกันเหมือนอย่างอัจฉริสาวิทาเป็นต้นนั่นเองตรงนี้ก็คือว่าตรงนี้เดี๋ยวจะไปไปยกตัวอย่างนะเดี๋ยวจะไปยกยกในรายละเอียดตรงนี้มามามาพิจารณาแต่แต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าวิชาเกิดรูประกายเกิดยังไงตัญหาเกิดรูประกายเกิดยังไงกรรมเกิดร่ประกายเกิดอย่างไร แล้วก็อาหารเกิดรูปกายเกิดนิพติลักษณะเกิดรูปกายก็เกิอดอวิชชาตัญหากรรมดับรูปกายก็ดับแล้วก็อาหารดับรูปกายดับวิปรินามะลักษณะดับรูปกายจะดับเยอะแยะที่รายชื่องเดียต่อไปก่อนต่อไปก็คือว่าอธิกายโยติวาปนัสสาเป็นต้นมีไหมอธิกายโยเห็นยัง อ, อธิกายโยปนัสสาเป็นต้นก็เช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในในานาพนาักตรงนี้ก็เชื่อมโยงเลยนะ สติของเธอสติอภิกายโยวาปนัสะสติปัิปัฏฐะติเป็นต้นเนี่ยที่บอกว่าสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ อ, อยานนะตรงนี้นะคือกายเนี่ยมีอยู่เพื่ออะไรรูปกายยืนรูปกายที่กําลังเดินรูปกายที่กำลังนั่งรูปกายทีกกย่กำลังนอนเป็นต้นหรือเดินแล้วนั่งแล้วนอนแล้วเป็นต้นที่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยรูปกายสามการที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่เพื่ออะไรเพ <c oughs> ื่อยานนะ ยาณน้าตนั้นก็คือเพื่อเพื่อวิปัสสนาปัญญานั้นเอากายนั้นเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาปัญญาเพื่อสติที่ตั้งมั่นเท่านั้นแสดงว่ากายเนี่ยมีอยู่เนี่ยรูปกายที่กําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกำลังนอนหรือว่าเคยยืนเคยเดินเคยนั่งเคยนอนหรือจะไปยืนจะไปเดินจะไปนั่งไปนอนเนี่ยรูปกายเป็นต้นที่มีอยู่ในยาวบทยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นหรือเนี่ย มีอยู่เพื่อญานะเพื่อสติที่มั่นคงแล้วนั้นก็เพื่อสติรับปชัญญะแต่ถ้ามีอยู่เพื่อปัญหามาในทิศนั้ น, น, นใช่ไหมฉะนั้นต้องเอารูปากายที่กําลังเงยน็นเดือนนั่งนอนเนี่ยเป็นปัจจัยแก่สติและปัญญาที่ยิง่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นเข้าใจไหมว่ากายกายนั้นเป็นปัจจัยแก่สติและปัญญาที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปยานะคือเอาอุปัสนาวัญญาณนะยานะในที่นั้นปัญหาคือว่า นั่งอยู่เนี่ยถ้ารู้โดยวิปัสสนาปัญญาก็ต้องรู้ว่ารูปกายในนั่งสติก็ต้องเข้าไประลึกอยู่ที่รูปกายที่กําลังนั่งไปต้นแบบนี้ว่านะไรพอสติไประลึกเลยแล้วเราปัญญาก็ทําจิตว่าเที่ที่เราเข้าใจว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายนั่งไม่ใช่้ะเป็นรูปธรรมล้วนๆตรงนั้นที่เป็นไปอยู่นะเพื่อเพื่อตรงนี้เท่านั้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่อตรงนี้เท่านั้นนะไม่จะไปเพื่ออย่างอื่นนะถ้าเพื่ออย่างอื่นมันผิดเลยทางกันทีเลยใช่ไหมจ้ะ เพื่อญานะหรือเพื่อวิปรรัสสนาปัญญาและเพื่อสติที่มั่นคงถ้าหากว่ากายมีอยู่แต่สติมันก็เลื่อนลอยนี่ไม่ใช่ละการมีอยู่นะั้นสติจะต้องมั่นคงสติมันจะต้องระลึกชัดเจนขึ้นและยานะหรือวิปัสสนาปัญญานะั้นจะต้องแยกได้มีรูปมีนามเนอะมีปัจจัยของรูปนามเนอะนี่รูปนามแตกดับทั้งสาการนะอดีตก็แตกดับมาแล้วปัจจุบันก็กําลังแตกดับอนาคตก็จะไปแตกดับเนอะ แล้วก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนันตาเป็นโรคเป็ น, ปนหวัวีเป็นต้นเราเนี่ยนะต้องใข้ควรแล้วแล้วเราเล่าอย่างนี้เนี่ยเขาต้องบอกการมีอยู่เพียงเพื่อญานนะและเพื่อสติสที่มั่นคงเ้่านะ้ไม่ใช่เพื่ อ, ย, อย่างอือนเลยทุกวัาแล้วกายเรามีอยู่เพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปเรียนนไปซื้อเพื่อจะได้ไปทํางานาเพื่อจะได้ไปอะไรใช่ไห ม, ไมใช่ไหมจยาแล้วกายมีอยู่โอ้ดีแล้วเราจะได้ไม่มีโลกนะเราจะได้อยู่นานๆอยู่กับโลกกับหลานนานๆไม่ได้มีอยู่เพื่อนะ ไม่ให้ประโยชน์ประโยชน์จริงเพื่อยา น, า น, ยา น, านะเพื่อวิปัสสนาญาณหรือเพื่อสติที่มั่นคงประโยชน์อยู่ตรงนี้เพื่ตอตรงนี้นะเพื่อสติสัมปชัญญะที่มัน่นคง่นะไม่ใช่มีอยู่เพื่อยอยา่างอนเอาโรคประกายเยืนเดินนั่งนอนมีอยู่เพื่ออะไระนี้ต้องตอบให้ได้ใช่ไหมให้องตอบให้ได้ไม่ใช่มีอยู่เพื่ อ, อโอ้จริงแลนั่งรอใครละย้ายรอโลูกสกับจากโรงเรียนจบเลยหรือเนี้ย การนี้อยู่ไม่เพื่อตรงนั้นไม่เพื่อตรงนั้นเพราะมันทำมาอย่างนี้ในสังสารวัฏมันพ้นทุกที่ไหนแล้วเราก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหวานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยาเลี้ยงบุตรบริวารเลี้ยงอะไรต่างๆมัในสังสารวัฏบางครั้งก็เป็นขี้ค้าเขาบางครั้งเขาก็เป็นขี้ข้าเราบางครั้งก็ยิ่งใหญ่บางครั้งก็สามต้อยบางครั้งก็เป็นราชาผ้ากษัตริย์บางครั้งก็เป็นขอทานบางครั้งก็อยู่ในป่าแบกขับปูขาย บางครั้งก็เหม่เป็นพ่อค้าวานี่สังสารวัตมันก็หมุนบางครั้งก็เป็นเปรบางครั้งก็เป็นอสุรกายบางครั้งก็เป็นสัดเจฉันบางครั้งก็เป็นสัตว์นรกบางครั้งก็เป็นมนุษย์บางครั้งก็เป็นเทวดาบางครั้งก็เป็นคลองไม่เบื่อเลยใช่ไหมเพราะเรางกายนี้อยู่มันไม่ใช่เพื่อสติและญาณนั่ถึงเป็นอย่างนั้นในสังสารวัตรมันยืดยาวเนี้ยใช่ไมใช่เนี่ยนะรางกายนี้อยู่พระองค์ที่บอกไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นถ้าเพื่อย่างอื่นน่ยสังสารวัตรต้องเคือยาวนานแน่ เพราะใหญ่ไหมโดยพุทธมรรส์ยาวนานแน่เพราะเธอเอากายเอากายยืนเดินนั่งนอนที่มีอยู่เพื่อตั้หามานาที่จีเนี่ยมันถึงเป็นแบบนี้ไงเดี๋ยวก็มาเจ็บบ่อยๆมาแก่บ่อยๆมาตายบ่อยๆใช่ไหมไม่เบื่อเลยต้องเบื่อบ่อยๆใช่ไหมที่มันเบื่อน้อยไปที่เป็แบบนี้ต้องเบื่อบ่อยๆต้องไข้ร้อนบ่อยๆต้องทุกข์ใจนาบ่อยๆ ท่านถึงบอกว่ า, ากายของเธอสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ า, ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อญานะเพียงเพื่อสติที่มั่นคงเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยย่อมอยู่ย่อมไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกสักหน่อยหนึ่งก็หมายความว่ า, วาถ้าพิจารณานะถ้ากายมีอยู่เพียงเพื่อสติและยานะที่มั่นคงนะถ้าเป็นอย่างนี้นะตันหาพอดีเนี่ยนะทิฏฐิและตันหาเนี่ย คือคือสติปัฏฐานเนี่ยก็องตัดโดยการเพื่อรักธรรมะของตัวนี้ตัณหาไว้ที่ท<ม>ี่ใช่ไหมถ้าเกี่ยวกายาทัศน์นาเนี่ยให้กลุ่มบุคคลที่มีตัณหาจะหลีเจเลยคนที่มีตัณหาประเภทที่ทําอะไรเน่ยเป็นผู้ที่หยิบมิด น, น้องไปกับตัณหาสวยๆงามๆประดิษบประดอยอะไรต่างๆเหล่านี้นะกลุ่มคมนนี้เจเลยคนนี้ถูกหลี ถ้ากลุมทิฏฐิจะหลุดกลุ่มนักคิดทั้งหลายต้องไปเจริญนุ่นพวกจกิตตาได้ทำมาก็าว่าไปฉะนั้นตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยเนี่ยย่อมไม่ถึงวันอะไรสักหน่อยหในโลกโลกในที่นั้นมีชื่อของอะไรอุ ป, ปาทานขันห้าขันมีสองย่างนะอุ ป, ปาทานขันขันห้ากับอุ ป, ปาทานขันใช่หมถ้า รูปะขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันของผ้าละขันนั้นท่านถอนอุปาทานได้แล้วใช่ไหมในขันของท่านไม่มีอุปาทานไม่มีตัณหาไม่มีทิฏฐิแล้วไม่มีอุปาทานอยู่แล้วแต่ถ้าโลกียะขันโลกียะขันหมายความว่าขันของเราทั้งหลายเนี่ยรูปะขันของปุโรยชนทั้งหลายเวทนาขันในโลกียะจิตตสิทธิ์ สังสัญญาขันกันในโลคิยาจิตแปดสังขารขันกันในกลุ่มเนี้ยห้าจิตในปดเอ็เนี่ยแล้วก็วิญญาณขันก็คือโลคิยาจิตแปดสิบเสรุปเลยว่าขันของกุฎุชนขันของคนมีจิเลตทั้งหลายเนี่แหละอันนี้ก็เรียกว่าอุปาทานะขันแต่ขันห้าของพระาหะ น, นั้นเป็นที่ตั้งของอุปาทานของคนอื่นได้ด้วยใช่ไหมต้องแยกให้ออกเช่นโสเรยาไปเห็นขันของท่านพระมหากตจยนาเนี่ยก็ไปเกิดความยินดีเพิ่เเลย ในขันของท่านแล้วก็ทํากรรมที่ไม่ควรขึ้นมาใช่ไหมหรือหรือขันขอ ง, องพระพเจ้าเนี่ยนางฮ อ, อ๋อพระว่ากะรีนะั่นอีกอย่างหนึ่งพระว่าการีก็รูปหลงแต่อีกคนหนึงก็คือนางมาคันธียาใชนางมาคันธีเนี่ยนางมาคันธียาเนี่ยที่บอกว่าพ่อและแม่ของนางนั้นเนะ่ะหลงไหลในขันของพระพุทธองค์ ก็จะยกลูกสาวให้พระพุทธเจ้า ก, ก็บอกดูก่อนนะมาขันทีดูก่อนมาขันทีบอกว่าไม่ต้องพูดถึงการยกให้ตาคตแม้ด้วยเท้าปราดตาขอดตาคตก็ไม่ไม่างหนาไหนถูกต้องสนี้ก็พูดตำหนิให้ดูว่ากายนี้มันไม่งามอย่างไรพระองค์แจกแจงรายละเอียดพ่อแม่ทั้งนางก็ได้บรรลุัปเลยเนี้ย ฉะนั้นขันของพระพวจนาพอดีขันของพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งของอุปบาทานของบุคคลอื่นได้แต่ขันของท่านในที่นีไม่เรียกว่าอุปบาตานนะขันใช่ไหมเพราะท่านละอุปาทานละตัณหลาละทิฏฐิละกิเลสไปหมดเลยแต่ขันอย่างเราเราทั้งหลายนี่แหละเขาเรียคอุปบาทานนะขันฉะนั้นไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกก็หมายความว่าต้องสา ม, มารถละตัญหาและทิฏฐิได้เพราะตัณหาและทิฏฐิเป็นต้นถูกละได้เด่นเดินขาด ต่อไปก็จักไม่ยึดมั่นขันไหนในโลกนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นขันภายในและขันภายนอกไม่ยึดมั่นแล้วใช่ไหมที่ยังยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นต้นอยู่เนี่ยก็เพราะมีตัณหาก็มีทิฏฐินี่แหละที่เป็นอุปาทานขันอยู่ดูป่านภิกษุทั้งหลายแนมะ้อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นเมืองเมือ ง, งซึ่งกายในกายอย่างนี้ ประการต่อมาก็คือว่าอัตติกายโยวาปนัสสะเป็นต้นทีนิ้สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายนี้อยู่ความว่าสติของเธอเป็นอันเข้าไปตั้งมั่นไว้อย่างนี้ว่ารูปกายเท่านั้นมีอยู่ใช่ไหมรูปกายที่ยืนว่ากําลังยืนรูปกายที่เดินว่ากําลังเดินรูปกายที่นั่งว่ากําลังนั่งเป็นต้นรูปกายที่นอนว่ากําลังนอนเท่านั้นมีอยู่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ <m. S 1> the the ่ง <nossa> ที่เนื่องด้วยอัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครมีอยู่เข่ายงต้องในยาที่ต้องปิเสธนะกายเท่านั้นมีอยู่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมีอยู่ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายมีอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแลวไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของของใครไม่ใช่เราไม่ใช่ของที่เนื่องด้วยของเราอันเนี้ย อันีอะไรของใครของใครของโยมสมัยนะโง่ใช่ปะใช่ปะใช่เดี๋ยอาจจรมาจับโยมแตกอันนี้นะ จริงๆไม่ใช่เรื่องนะไม่ใช่ของที่เนื่อเลยของเราจริงๆไม่ใช่เขาไม่เคยไปประกาศเลยนะใช่ไหมบางทีเราไปเขียนชื่อเขาไว้ได้ไหมงัของพวกนี้ต่อสร้างไว้ถ้าใครจัรกอะไรแล้วเนี่ยฉะน้เราจะโรทีเราไม่ได้โกรเราไม่รู้ั แต่รู้ถึงบอกว่าท่านให้ชาระความเห็นในบริสุทธิ์เนี่ยจะได้เข้าใจถูกว่าไม่ใช่ของเราและก็ไม่ใช่ของที่เนื่องแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยดินน้ํำใบลมแท้ๆเนี่ยใช่ไหมของใครเ่าไม่มีของใครแต่ก่อนเนี่ยจะมาไปเข้าใจไงรู้ไหืก็ไม่ใช่ของเราก็แสดงว่าของคนอื่นหรือเปล่าใช่ไหม <laughs> มันเป็นไปอยนะ่างนั้นเพราะท่านถึงปฏิเสธว่า ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของใครแล้วก็บอกว่าเกวัลังกายโยเอวาธิบอกว่ารูปประกายล้วนๆเท่านั้นมีอยู่ใช่ไหมชัดตัวไปเลยว่ารูปประกายล้วนๆเท่านั้นมีอยู่ใช่นขนาดพระองค์ตรัสขนาดนั้นแล้วก็ยังวิมีของเรายังมี คนเจ้าบอกไม่ใช่ของใครสติของเธออันเข้าไปตั้งไว้อย่างนี้ว่ารูปกายเท่านั้นมีอยู่ตรงนี้ยังไม่พอเนี่ยบอกว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอาสาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครไม่ใช่ไม่ใช่ใครด้วยแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยแล้วสรุปเลยบอกว่าเกวรงกาโยเอวาติบอกว่ารูปกายล้วนๆเท่านั้น มีอยู่รูปธรรมล้วนๆเป็นต้นดังนั้นมีอยู่แล้วก็นามะธรรมเป็นต้นด้วยที่เป็นตัวเข้าไปยึดอันนี้รูปธรรมลว้วนๆดังนั้นไอ้ที่ตัวเข้าไปยึดคือนามะธรรมตั้งหากใช่ไหมนามะธรรมที่ถูกปลูกฝังมาผิดจากอัธยาสัยที่ฟังสิ่งผิดๆมาจนเข้าใจผิดเลยไปยึดรูปธรรมว่าเป็นของเราหรือของเนื่อมงหรือของเราไม่ต่างกันเลยต่างก็มีใจคลองก็ไม่มีใจคองเท่านั้นเอง ไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยใช่อ่างแต่ไม่ตรงที่ว่าท่านทึ่บอกว่าเป็นรูปธรรมเท่านั้นรูปธรรมท่านรูปธรรมล้วนๆเท้านั้นเน่ยมีอยู่มีอยู่ในความเป็นรูปธรรมไม่ได้มีอยู่ในความเป็นของใครเอาไปต้องอก็ว่ารูปธรรมล้วนๆเท่านั้นมีอยู่ไม่ได้มีอยู่ในความเป็นของใครเพราะนั้นเรายึดติดมานานแล้วในสังสารวัตเพราะฉะนั้นสังสารวัตรจึงยาวนานแบบนี้นให้ทําความเข้าใจอย่างนั้น ไปทำมันมันไม่ม no ันไม่โกรธอาจารย์คนที่สําคัญว่าเป็นเจ้าของมาโกรธใช่ไหมแต่ที่จริงเจ้าของก็ไม่มีใช่ไหมเพรเพราะจิตที่คิดว่าเป็นเจ้าของก็ดับไปแล้วหาตัวหาตอนไม่ได้แล้วไอ้จิตใหม่คิดมาผูกใหม่ก็อยู่อย่างเนี้นะก็เป็นไปอย่างนี้ก็เหมือนอย่างนี้สมมติเรามีคนด่าเราไหมเอาด่าจะฟักคิดได้เมื่อกี้เขาด่าเราเนี่ย เราจะด่าตอบเขอ้คนด่าดับไปแล้วจิตที่คิดด่าเขากําลังด่าคําด่าก็ดับไปหมดแล้วเราก็ด่ากลับไม่ถูกอีกไอ้คนนั้นตายไปแล้วเราจะมาด่าใครอีกยังไม่ใช่นี่เราก็คิดไถ่ถันอย่างนี้นะเราเห็นโอ้ตายเราไปโกรธใครเนี่ยโกรธสิ่งที่ไม่มีมันสืบเรื่องมาใช่ไหมคําพูดที่ด่าก็ดับไปแล้วจิตที่คิดจะด่าก็ดับไปแล้วคนคนนั้นที่ด่าก็ดับหมดไปแล้วเรามาด่าต่อก็ด่าไม่ถูกด้วย ถ้าจิตที่คิดจะด่าก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นต้นอยู่นั้นคําว่ายาววิธว่าเท่านั้นนี่เป็นคํากําหนดการตัดสินประโยชน์มีคําอธิบายว่าสติใดเป็นอันเข้าไปตั้งไว้ว่าสตินั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์อย่างอื่นนะสติสองปชัญญ่ที่เข้าไปตั้งในรู ป, ปรกายเป็นต้นเหล่านี้ยสติที่เข้าไปตั้งในรู ป, ปรกายที่กําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกํานอนกำลังนอนโดยที่แท้เนี่ยเพียงเพื่ออะไรสตินี่ย สติที่เข้าไปตั้งเนอะเช่นสติที่เข้าไปตั้งที่รู ป, ปกายว่ากําลังยืนรู ป, ปกายนั่งว่ากําลังนั่งรู ป, ปกายที่นอนว่ารูปกายกําลังนอนที่กําลังเดินไปต้นเนี่ยสติที่เข้าไปตั้งนั้นเพื่อประโยชน์อะไรฮะใชิเพื่อประโยชน์แก่ปัญญาที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งนะี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์อย่างอื่นแค่ น, นี้เข้าใจเลยนะ หวังว่าคงจะเริ่นยันดีแล้วงั้นต่อไปวันนี้เราไม่ดีได้เพราะไปถึงบ้านยังไม่ดีไม่มีศาสตร์บุคคลแล้วนะลัอไปไม่ดีของเราเลยนะมองไปที่ไหนรอบรอบบ้านม่ดีของเราเลยตรงนี้ไม่มีของใครเลยตรงนี้เพื่อประโยชน์แกยานะที่ยิงขึ้นยิ่งขึ้นไปเป็นประมาณต่อต่อไปและเพื่อประโยชน์แก่สติเป็นประมาณเท่านั้น เพื่อประโยชน์แก่สติและสัมปญญาทั้งสองทั้งหลายที่เจริญยิ่งขึ้นไปเขาบอกว่าสติเข้าไปตั้งไว้ด้วยอำนาจของความเกิดขึ้นบ่อยๆว่ารูปกายมีอยู่เพื่อเพิ่มพูนรูปกายมีอยู่เพื่อเพิ่มบูญญาณะเพื่อเพิ่มพูนสตินะรูปกายนี่นะรูปกายที่กาลังยืนกาลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนมีอยู่เพื่อเพิ่มพูนสติและปัญญา ทั้งนั้นแหละกิจอย่างนี้เราก็ทํำในลักษณะอย่างนี้ถึงจะตรงตามพุทธพจน์นั้นไม่ใช่มีอยู่เพื่ออย่างินอื่นต่อไปแล้วเวลาสมมติไปอยู่แหน้ากระจกจะแต่งรูปประกายสักหน่อยไม่ได้คิดยังไงดีโอ้โหคิดหนักเลยทั้งงานเนี้ยนะจะทํายังไงเนี่ยนะะรูปประกายมีอยู่เพื่ออะไรนะ เพื่อจะเพิ่มพูนสติและปัญญาให้ยิ่งๆขึ้นไปแล้วกิจที่เราทําอยู่นี้ใช้การเพิ่มพูนสติและปัญญาไหมต่อไปก็จะแต่งพ อ, พอประมาณอะไรอย่างนี้ใชะวิธีเช่นนี้ง่ายเช่นี้ก็เลยครับก็ทาแป้งบ้างหาอะไรบ้างมาทาดินน้าไปลมหลอกคนโง่ก็ไปวันวันคนโง่เขามองไม่ออกใช่ไหมถ้าจริงๆก็คือดินน้าไปลมใช่ไหมทาทาหลอกคนโง่ไว้ก่อนจะหลองบัณฑิตไม่ได้ <c oughs> ไปหลอกพระพุทธเจ้าไม่ได้นะ เหมือนกับที่ว่าพระรัตปาราณเนะี่ยตอนนั้ น, นท่านกลับไปบ้านพอ่อพ่อของท่านก็ต้องการใหญ่ท่านสืบก็เอาอาดีตภรรยาแต่งตัวงามมานั่งแต่ตัวอะไรยงด่างมานั่งแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติมาลอดด้วยนะใช่ไหมทรัพย์สมบัติมากองกันไว้มีส่วนของยายส่วนของปู่ส่วนของย่าส่วนของพ่อส่วนของแม่มีส่วนของเจ้าเนี่ยเปิดให้ดูหมดเลยหูยกองประเด็นเต็มทึกเลย แล้วก็บอกเนี่ยบอกลูกที่ส่วนของปู่ตายายายกุณพ่อแม่เส้นส่วนของเจ้านะสืบต่อมาเยอะอีกยกให้ท่านให้เจ้าหมดเลยว่าไนะท่านก็บอกว่ายกให้อดัมาใช่ไหมบอกเอาไปทิ้งลงน้ําไปหมดหอ้ใจ ย, ยังยไหให้ภรรยาอาดีตภรรยาฟังอิศรลบเลยนะอ่ะโอ้โหอะไรกลับอกกับใจใช่ไหมทําไมท่านพูดอย่างนะ ท่านไ ป, ไปโดนมนอะไรมาเนี่ยมองใช่ไหมทำไมไม่เห็นผิดเป็นชอบขนาดนั้นแล้วใช่ไหมหปูสาปูยาตายยายาล้มหายตายจากไปเก็บไว้เนี่ยเอาไปทิ้งทะเลทำไมนี่ความคิดของพายาย่า อ, ยอาทำไม่ได้ใช่ไหมจะทิ้งก็ฆ่าร้อยบนแล้วบนอนึ่งเ <c oughs> ี้ใครทำหายไปไหนห้าร้อยจะเปีนยเงใช่ไหมเนี่ย แต่ทําไมแ ล, แล้วท่านก็ท่านก็บอกพระเศษดูก่อนเ็จทีเราก็จะถวายพระสารานญาถวายจะทําให้อธิมาอุตตรเลยพอฉันเบียดเศท่านก็ลุกขึ้นมาชี้อบอกว่าตาที่เยิม้มเลยาหยอ่อนใช่ไหมหน้าที่ไร้ท็่จุนพอจะหลอกคนโง่ให้หลงไหลได้แต่จะหลอกบุคคลผู้หวังฝังเขาที่พูดถึงฝังถยู่ปะนีพานไม่ได้ใช่ไหมท่านท่านพูดให้เข้าใจว่า คือจริงๆแล้วท่านมองเห็นด้วยความเป็นรูปกายหมดแล้วท่านไข้ควรจนชำนาญจนท่านมารลุแทงตอดอายศาสตร์หมดแล้วเห็นด้วยความเป็นรูปธรรมล้วนๆเนี่ยท่านไม่ได้เห็นด้วยความเป็นศาตร์บุคคลแล้วจะให้ท่านเกิดความยินดีเพื่อเพลินกับสิ่งอย่านี้ได้ยังไงท่านเห็นการประชุมกันต้องสิ่งที่ไม่งามใช่ไหมฮะท่านไข้ควรมาเป็นล้านๆเป็นโกดๆไม่รู้กี่ล้านกี่โกดครั้งแล้วจนเห็นทองแท้หมดอ่ะมองไปทุกกระทันเห็นจระยงอายใหหมดในข้างในอ่ะ น้ำตาปัญญาของท่า น, นมันเกิดขนาดนั้นยังเรามองไปก็ติดเสือ้อติดผ้าติดที่ตกแต่งหมดใช่ไหมยะแต่ท่านมองทะลุทะลวงหมดน่ะใช่ไหมยะนั้นแต่คนที่เขามีปัญญารอบรู้ขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่ท่านมองแบบหมอเลยนะถ้าหมอเนี่ยมองก็ย็บใช่ไหมยะหมอหมอเนี่ยเไปผ่าศพไป ร, ร้อยร้อยศพเนี่ยเขาไม่ได้รักอะไรได้เนะหมอเนี่ยเขายิ่งผ่าก็ยิ่งทิฏฐิเกิด ยิ่มาหน้าเกิดก็โหเราเก่งเราชนะเราชีพตำแหน่งได้จุดนี้เรียกว่าปอดเรียกว่าตับเรียกว่าไตเรียกว่าม้ามเรียกว่าหัวใจงไงท่องเป็นภาษาท่องท่องโครงร่างได้ต่างได้เป็ดเสร็จหมดเขาสามารถท่องเป็นภาษาหมอก็ได้หมดแล้ว ก, ก็หลับตาก็าเห็นได้หมดแต่ไม่เคยลาได้เลยก็าก็ได้พิจารณาแบบนี้เ้าไม่ได้พิจารณาเพื่อจะหิบเบื่อนายคลายกำหนัดเพื่อจะบอกว่านี้มันไม่งามวัตถุประสงค์มันไม่ใช่เพื่ออยากรู้เท่านั้นเอ เพื่อการที่จะทําสติและญาณนาทีจริ่งๆขึ้นไปเลยนะคนละอย่างกันเลยใช่ไหมนี่คือจุดต่างกันตรงนี้เธอเป็นผู้อันที่บอกว่าประโยชน์ต่อสติปัญญาที่ยิ่งๆเพื่อเพิ่มพูนญาณและเพิ่มพูนสติเป็นต้นประการต่อไปก็คือว่าอั น, นิี้สิตโตจากวิหารสติเธอเป็นผู้อันตัณหาเลขทิ่ิีแม่อาศัยย่อมอยู่ความว่าเธอเป็นผู้แม่สายเดิมราชแห่งตัณหานิสัยและก็ที่ถึงนิสยัยทั้งหลายย่อมอยู่เป็นการกล่าว ความเป็นปฏิบัติโดยตรงต่อตัญหาในทิฏฐิในภาวนานี้ก็คือการเจริญสติปัฏฐานภาวนาเนี่ยเป็นการเจริญถ้าหากไปเห็นกายนี้ไม่งามก็จะละอะไรละปัญหาได้ถ้าไปเห็นกายนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็จะละทิฏฐิแหละอะนรเงี้ฉะนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าการเจริญภาวนาในปรกเนี่ย พระองค์เป็นการกล่าวเพื่อเป็นปฏิปักษ์ต่อตันหานิสัยและทิฏฐินิสัยคือคนที่มีตันหาเป็นอัตยาสัยมีทิฏฐิเป็นอัตยาสัยที่จริงคนเรามีทั้งสองส่วนนั่นแหละแต่อะไรมันจะนําหน้าถ้าตันหานิสัยมาแรงก็เอากายานุปัสสาไปเจออย่างนี้เป็นต้นถ้าหากทิฏฐิทิฏฐิถาหรือทิฏฐินิสัยแรงหน่อยก็ไปเจริญกลุ่มพวกมามาทําอย่างนี้เป็นต้น